ตันประโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพูดกันถึงลักษณะของสุภกรรมฐานเ <c oughs> มื่อวันก่อนได้นำเอาวิธีที่องค์สมเด็จพระิธิตมานบรมศ า, ศาสาสดาทรงทรมานพระซึ่งมีความรักในนางสิริมาเป็นเหตุ <c oughs> สมเด็จพระบรมมฤตยูเเชี่ยจึงได้หาทางแก้ความรักของพระรูปนั้นที่มีความรักในนางสิริมาเอามาเป็นเครื่องแก้ดโดยนางสิริมาก็ตายพอดีแล้วองค์สมเด็จพระจีนศรีก็พาพระไปดูไปดูศพนางสิริมาเรื่องที่ผ่านมาแล้วเมื่อวันนี้ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็จะมีขอพูดซ้ํำฉะนั้นแนวปฏิบัติในการเจริญสุภกรรมฐานก็ขอทุกท่านจึงยึดแนวนั้นเป็นสําคัญแต่ว่าสําหรับวันนี้ก็จะขอพูดในลักษณะข้อสุภกรรมฐานสิบอย่างคือสุภกรรมฐานนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดไว้ในมหาใน มีสุติมักมีอยู่สิบอย่างด้วยกันที่พระพุทธโคส า, าจารยถันรเจนาไว้สำหรับพระพุทธโคส า, าจารเนี่ยผมยอมรับนับถือในท่านก็เชื่อ ว, ว่าท่านเป็นพระอรหันตปริสัมมิทายานเรื่องพระอรหันต์ที่จะเขียนผิดนี่ผมว่าไม่มี <c oughs> แต่มีบางคนเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนไว้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 คนก็ดีใส่ ก, ก็ดีที่ตายไปแล้วนับต้นเดีววันตายไปเป็นต้นว่าตายไปแล้วถึงเป็นต้นไปมีร่างกายขึ้นบวมพองไปด้วยลมที่เรียกกันว่าผีตายขึ้นอื่ น, นั่นเองนี่ลักษณะอย่างนี้ให้พิจารณาหาความจรงิงว่าศพประเภทนี้สภาพของร่างกายประเภทนี้มันสวยหรือไม่สวย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 มีน้ำเหลืองมากที่ไหนมีน้ำเหลืองน้ำหนองมากที่นั่นเป็นสีขาวที่มีสีเขียวก็เพราะว่ามีผ้าสีเขียวเขาบิดกุมไว้ไอ้สีผ้ามันตกที่ตรง น, นั้นมันจะมีสีเขียวท่านยิงเรียกว่าวิณีละกะแปลว่ามีสีเขียวความจริงที่เขาผ้ากลมถ้าผ้าเขียวมันมากสีเขียวมันก็มาก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 มันก็จะเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดเป็นโรคขึ้นมาได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยจะได้ส่งแนะนําแม้เวลายืนนะจะยืนใต้ลมมันเหม็จัดนี่ก็อย่ายืนเหนือลมเยอะเกินไปยืนข้องขวางในหน่อยนะดีนิดนิดถยืนเหนือลมเกินไปบางทีกลิ่นเหนม็นมันหวนกลับมันได้เหมือนกันเอายืนข้องขวงนิดนิดหนึ่งชิ้นเฉียงสักหน่อยหนึ่ง อีสามที่เรียกว่าวิปุกกะอสุปเป็นซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลตามปกตินี่ซ้ากันไปเวลาฟังไปแล้วก็นึกตามไปด้วยที่ครับว่ามันสวยไหมว่าร่างกายของคนที่มีสภาพแบบนี้ของสิ่งนี้มันอยู่ข้างในฟังกันมาแล้วที่องค์สมเด็จพระจอมไตรงสอนในสมัยที่นาสิริมาตายเนี่ย ฟังกันแล้วก็วินิจฉัยไปด้วยนึกไปด้วย <c oughs> สี่ท่านเรียกว่าชินทกกว่าวิจิตกะอสุกคื อ, อสร้าศพที่มีร่างกายขาดเป็นท่อนเป็นตอนในถ้ำกลางพูดง่ายๆก็หมายว่ากายร่างกายมันขาดเป็นท่อนไปแล้วขายกลางสวยไหมสวยหรือไม่สวยห้า วิขายยตกาอาสุปร่างกายของซากศพที่ถูกสัตว์ยื้อแย่งกินก น, นี่ก็ลองนึกถึงสภาพที่พูดมานี่นึกถึงสภาพไปตามนี้ถ้าเราไม่เห็นศพนึกถึงภาพศพว่าสภาพที่มันปรากฏอย่างนี้มันเป็นของน่ารักหรือเปล่าที่บกวิขิตตกาอาสุบ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 คือซากศพที่สับฟันที่ถูกสับฟันเป็นท่อนน้อยและท่อนใหญ่แปดลิฮิตกะอาสุกคือซากศพที่เลือดไหลออกเป็นปกติเก้าปูรุวะกะอาสุกคือซากศพที่เต็มไปด้วยตัวหนอนคลักไอ้ตัวหนอนคลักสิบอธิกะอาสุก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 ใช้ปัญญาด้วยช่วยกันคิดเพราะตามตำราท่านบอกว่าการเจริญสุภกรรมฐานี้จิตจะเข้าอย่างดีแค่ปฐมฌานหรือว่าอยู่ในวาระฌานท่านว่าอย่างนั้นแต่ว่าสำหรับผมผมคิดว่าไม่คิดอะผมมั่นใจ ว่าสุปกรรมถานนี่ทำเป็นชาญสีได้ทุกอย่างอย่างนี้ก็อย่าขอท่านที่เป็นนักปราชญ์ทั้งหลายอย่าคิดว่าผมเป็นพระศ า, ศาสดาสอนคนเสยเองความจริงผมไม่ใช่พระพุทธเจา้า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 มันไม่สวยมันไม่สะอาดตองนั้นตรงนี้ใช่รมคิดอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิถ้าเราจะทำให้เป็นฌานเขาทำกันแบบนี้จับภาพประสบ ข, ขึ้นมาแทนที่จะพิจรารณาเราก็ไม่พิจรารณาเสียไปเอาเป็นภาวนาแทนทำแบบกระสิน สมมติว่าภาพกระดูกมาปรากฏอธิกังปฏิกูลังหรืออธิอธิกาสุพแทนที่เราจะพิจารณาว่าอศพนี้มันไม่สวยหรือว่าพิจารณามาแล้วในตอนตอน้นเห็นว่ามันไม่สวยสดงดงาม ในเมื่อมันไม่สวยไม่สดไม่งดมีงานพิจารณาไปพิจารณาไปไอ้ใจมันก็คิดว่าเออพิจารณานี่เหนื่อยจริงๆรนะเอาตั้งอารมณ์ให้มาทรงตัวดีกว่านี่ความจริงเป็นการพิจารณาเป็นการดัดแปลงของนักปฏิบัติกรรมฐานรุ่นเก่าๆท่านทํากันได้ อย่างหลวงพ่อพลิงวันมาเกอะท่านทำอสุภกรรมกรรมฐานทั้งหมดเป็นกับสินหมดได้เป็นชาญสี่หมดแล้วก็สามารถเตรามิตรรูปอสุกรรมารูปคลำได้ถ้งมา ม, ามาปรากฏชัดได้นี่ท่านเก่งมากนี่การปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่ปัญญาไม่ใช่ไว้ใช้แต่สัญญาจริงๆ พยายามทำเป็นชายก็ตั้งกระโดกขึ้นแล้วตั้งศพอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นภาพแทนที่เราจะพิจารณาหรือว่าพิจารณาไปแล้วหยุดพิจารณาเสียมาตั้งกดภาวนากันเลยจับภาพไว้เฉยๆแล้วก็ภาวนายังกระโดดก็พิจารณาว่าอธิกังปฏิคกลังยังข้อดีเก้าก็พิจารณาว่าปอรู้ว่ากะ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 เป็นต้นเบื้องต้นเยียเข้าถึงปฐมฌานอุก a h นิมิตนี่เขาเรียกว่าอุปจาระฌานพอจิตเข้าถึงอุกหานิมิตแล้วตอนี้ทำยังไงก็พิจารณาภาพนั้นไปเพ่งภาพนั้นไปภาวนาไปจิตใจขึ้นเป็นปฐมฌานพอจิตใจขึ้นเป็นปฐมฌานภาพนั้นเรื่องกลายสภาพ แทนที่เป็นซาสบสีเดิมเปลี่ยนสีใหม่กลายเป็นสีขาวขาวแล้วเป็นไปกายพลึกบังคับไปสูงได้ใหญ่ได้ต่ำได้เล็กได้ยังไงก็ได้เหมือนกับที่ทำกับสินถ้าต่อไปไม่จิตตั้งมั่นกินจนกระทั่งอารมณ์ของเราร่างกายไม่ปรากรลมหายใจเ ข, เข้าออกจิตทรงตัวเป็นเอกะตารมกับมเมฆขาลม เพียงเท่านี้ปลายกฎว่าภาภาวาจิตของเราก็เข้าถึงฌานสี่นี่ถ้าหากว่าเรามีวิธีปฏิบัติใช้วิธีฉลาดชนหน่อยทำจิตให้เข้าถึงฌานสี่แล้วก็ถอยหลังอารมณ์จิตนี้ลงมาอยู่สูอุปจารสมาธิอารมณ์จิตมันก็ตั้งมัน่น แล้วก็พิจารณาในอสมกรรมฐานแต่และจุดตามที่เราต้องการตามที่เราต้องการความเข้มแข็งของจิตมันก็เกิดขึ้นไอจิตมีความเข้มแข็งปัญญามันก็เกิดปัญญาที่เกิดจริงๆมันมีความเหล็บลมันมันมีความแหลมคมมากเมื่อความแหลมคมเคยเกิดขึ้นอสุปสัญญาก็เกิด คำว่าสุภสัญญาเกิดก็หมายความไม่เกิดขึ้นเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันสกปรกไปหมดไม่เฉพาะคนเห็นคนแต่งตัวสวยเท่าไรสกปรกหนักมากเท่านั้นเพื่อแทนจะคิดว่านี่ร่างกายเขาสกปรกแล้วกลับไปมองเห็นใจเาขาสกปรกด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าใจของเขายจะหนักเพราะเดิมนาจของกาเมกิเลสกามกิเลศ เรีกว่ากิเลสกรรม <c oughs> คนนี้แต่งตัวสวยจัดกิเลสกรรมหนักจัดให้การแต่งตัวสวยจัดนะ่ะมันเป็นสภาพดึงดูดใจของคนตรงกันข้ามให้เข้ามาสนใจในร่างกายของตัวการที่ต้องการในคาว่าสนใจในร่างกายของตัวกับพระอํานาจของการมเป็นสําคัญ มีความคล่ายในกลามเป็นอารมณ์ในเมื่อเขาผู้นั้นเป็นผู้มีความคล่ายในกลามเป็นอารมณ์แล้วเฉาเขาจะไปยังไงใจเขาดีไหมก็มีความคล่ายใจมันก็สปกปรกครือกิเลสมันเข้าไปพอกใจที่ว่าใจสปกปรกเพราะใจมันพอใจในความสปกปรก ว่าร่างกายของคนร่างกายของสัตว์มันสปกปรกแต่ยังเอาใจเข้าไปดึงกายที่สกปรกเข้ามาเพื่อปรารถนาในการประคับประคองในการอยากจะอยู่ร่วมกันนี่เราแทนที่เราจะเห็นกายเ้าสกปรกอย่างเดียวเราก็เห็นใจเ้าสกปรกด้วยเมื่อเห็นกายสปกปรกและเห็นใจสปกปรกความสวิสเซียนนิพิทายานมันก็เกิด <c oughs>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 ในรูปริมของสปกปรกเห็นว่าเป็นของเสีอาดในรูปในของนี่ว่าไม่เที่ยงเห็นว่าไม่เที่ยมไอ้รูปตัวนี้มันไม่มีการทรงตัวแท้จิตไปเกาะมันก็เป็นทุกข์นี่ถ้าอารมณ์จิตราของเราเข้าทั้งชั้นสี่มีหลายท่านด้กันเย็นเลินอธิกังปฏิบูลังเห็นคนเดินไปเดินมาเป็นเสาสเป็นกระดูกไปหมดนี่มติดตาติดใจแบบนี้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 ว่าตัวรังเกียจเกิดขึ้นเราก็หาจุดธรรมดาต่อไปถ้าถึงชา้นสี่แล้วไม่เป็นของง่าย <c oughs> ไม่มีอะไรยากผมพูดอย่างนี้ผมไม่กลัวใครๆก็อยามหาว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าเสเองนี่ผมไม่ได้เป็นพระพุทธเจา้าผมไม่ได้ตัดสิรู้เองแต่อาจารย์ท่านที่ทำกันได้มาท่านสอนกันมาแบบนี้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 ให้อยากจะหลงก็เชิญหลงไปไม่ได้สอนให้หลงพราะด้วยว่ากําลังจิตถ้าเข้าถึงฌานสมาบัติกําลังจิตมีความเข้มแข็งในเมื่อกําลังจิตของเรามีความเข้มแข็งดีนิปัญญามันก็เกิดได้บอกแล้วว่าฌานสี่มีปัญญาเฉียบแหลมสามารถจะตัดกิเลสให้เป็นสมุทเธตหานได้ง่าย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 ในเมื่อเราจะเข้าสู่เป็นพระนาคามีได้ก็ต้องอาศัยฌานสีเป็นสำคัญเพราะแปรที่จิต <c oughs> ถึงแม้ว่าจะเป็นสุขาวิบาสโกก็ต้องเข้าถึงฌานสี่ถ้าเข้าไม่ถึงฌานสี่จิตมันก็ไม่สามารถจะตัดไอ้การมฉันทะตัวนี้ได้เพราะความเข้มแข็งมันไม่พอดังนั้นเมื่อเราจะเินในอสุพกรรมฐานเราก็จะรอทาไม เมื่อจับไปเอาสัสัญญาคือมีความรู้ว่าเป็นของมะสะอาดก็จับอารมณ์ให้เป็นฌานไปเส้นเลยลองดูกันนะผมรับรองผลแต่ว่ารับรองแต่เฉพาะแต่คนที่เอาจริงเท่านั้นทนคนที่ไม่มีใจจริงแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นผลมันต้องจริงต้องกลา้าต้องไม่กลัวตาย ต้องคิดไวเสมอว่าถ้าเราอย่าตายข้อใส่ในการในขณะที่เราสร้างความดีผลนี่ยพึงได้ในเวลาที่เราตายนี้อย่างเลวที่สุดเราก็เป็นเทวดาถ้าไม่นีเพรันถ้าจิตเป็นฌานเราก็เป็นพรหมถ้ามีกำลังเหนือไปจากนั้นเราก็ไปพระนิพพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสุปกรรมฐาน พิจารณาตามแนวที่องค์สมเด็จพระพิชิตามานสอนคราวที่นางสิริมาตายก็อยู่กันไม่ไกลคัดเศษหน้าเหน่งเท่านั้นเองท่านก็แปรหันกันได้และก็ไม่เป็นอาหาันองค์เดียวแต่โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผมสนใจพระองค์นั้นคิดว่าพระองค์อื่นก็ดีชาวบ้านก็ดี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 ถ้อยคำของผมท่านจงอย่าจาไปใช้คนอื่นคนนักผมชอบแปลอะไรอะไรให้มันเข้าใจง่า ย, ายๆฮยเฉยเยแต่เ้าความหมายแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าตามศัพท์ท่านแปลว่าหญิงผู้ยังพนาคอลให้งามเรียว่าแปลโดยอัดก็แปลว่าหญิงงามเมืองหญิงที่ทําเมืองให้งามนั่นเอง ตอนนี้ผมก็แปลของผมสมัยว่าโสเภณีเป็นหญิงที่มีสามีไม่จำกัดคนที่มีสามีไม่จำกัดเนี่ยใครเข อ, อยากเอาไปเป็นสัญยาเขาบ้างไม่มีจะมีก็น้อยเต็มทีแต่ก็ว่าไม่ได้แต่ได้ว่าสำหรับขาของค์นั้นท่านตั้งจิตตั้งตั้งใจจริงๆท่านรักสีจริงๆแต่ว่าพอไม่เห็นยอดหญิงสิริมาของท่าน มีความเน่าอย่างนั้นความรักก็สลายตัวเห็นเป็นสภาพที่น่าเรียดหน้ากลัวไม่น่าประคับประคองผมเข้าใจว่าเวลานั้นแม้จะมองท่านก็มองไม่เต็มตาไม่เหมือนยามที่ ร, รักมีความปรารถนาตามันโตวเวลามองกัน <c oughs> แล้วพูดาวาโอกาสที่ท่านมองขนาดนั้นเห็นเนี่ยต้องตาเล็ก พอมันเน่าแบบนั้นนี่กลิ่นเหม็นโชว์แบบนั้นไม่ไหวแล้วนี่แนวที่องค์สมเด็จพระไวทีแก้วทรงสอนแบบนี้ต้องจำจำไว้คิดอย่างนี้พอท่านพิจารณาไปองค์สมเด็จไปจอมใจก็บอกว่านอกจากเน่าแล้วร่างกายมันเป็นอันนี้จังนะเป็นของไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ถ้าเรายึดถือมันมันเป็นอนัตตานะมันอหลายตัวไปในที่สุดเราบังคับมันไม่ได้เธอทั้งหลายจงหยาดยาสนใจในร่างกายของตนเองอยาสนใจในร่างกายของบุคคลอื่นและอย่าสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดนี่เป็นพ้อยคำที่อมสมเด็จพระบรมสุโตสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร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 สำหรับวันนี้พันบันดาพโยคาววจรทุกท่านดูมันว่าผมพูดจะพูดเร็วไปเท่าของมากถ้าฟังไม่ทันไหนก็ย้อนไปย้อนมา ก, ก็แล้วกันคัดเศษมีอยู่ขอบรรดาสาวกโคงสมเด็จพระบรมครูจงบรรู้เข้าถึงมรรคผลตามที่ตนตัดนาทุกท่านสวัสดี